ทวสวัสดีคะ่ะเ่อนฟังที่เคารพค่ะรายการสัมสีสนทนานะคะเทียนั่งสัสนีนาคพงเป็นผู้ดําเนินรายการมีพระมหาภัยบุญนิปุญ โ, โนนะคะวัดป่าดอนไฮโซมาเป็นผู้ที่ให้ธรรมะ ก, กับเราในช่วงเช้าแล้วก็ยังนําพวกเราเข้าสู่การปฏิบัติธรรมด้วยไปกราบนมาส ก, การท่านกันก่อนนะคะนมาส ก, การกันท่านคะท่านาบุญค่ะดิฉันเองก็ไปทบทวนตามคําแนะนําของท่านที่บอกว่าให้อ่านอริยสัจจากพระโอษฐภาคปลายก่อน พอไปอ่านแล้วคฉันก็ได้พบว่าอ u อ i ด i o n ฉันอ่านมาแล้วเพราะว่าจะมีโน้ตอยู่ในหนังสือนี่เยอะแต่ลืมไปซะส่วนใหญ่เลยนะคะเพราะว่าการอ่านนั้นก็เป็นการอ่านแบบอ่านอ่านไปลุยไปข้างหน้าเนื่องจากหนังสือมีหลายพันหน้าทีนี้พอมากลับอ่านใหม่ก็เจอเรื่องของอริยะอัดถังคิกกรมักมใช่ไหมคะมคือรุ่งอรุณแห่งอะไรนะคะท่านรุ่งอรุณแหง่งมักแปเหรอ เดยวก่นอนเอาหม่นะคะส ม, มาทิฏิเนี่ยเป็นรุ่งอรุณแห่งอรอยิยมรรคเมืองแปดข้าจาชการที่ไปอ่านมานะคะ อ, อไปสรุปกับคิดว่าเป็นพระสูตรที่เหมาะกับเวลาของการจัดรายการนี้ออืเรื่องธรรมเป็นรุ่งอรุณแห่งอาจถังคิกม ร, รเรื่องแรกนะคะบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์กําลังขึ้นสิ่งที่มาก่อนเป็นนิมิตให้เห็นก่อนคือการขึ้นมาแห่งอรุณชั้นใด ภิกษุทั้งหลายเมื่อมีการเกิดขึ้นแห่งอริยะอัดถังคิกมักของภิกษุสิ่งที่มาก่อนเป็นนิมิตให้เห็นก่อนคือกัลยาณมิตรตาอความเป็นความเป็นผู้เป็ น, ปนกัลยาณมิตรค่ะนะคะอ่าฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายนี่คือความหวังของภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรคือเธอจากเจริญอริยะอัดถังคิกมักได้จากกระทําให้มากซึ่งอริยะอัดถังคิกมักได้อือยากจะให้ท่าน อ่าได้ช่วยแสดงทําถึงเรื่องนี้ในวันนี้โอเคค่ะอ่าพูดถึงเรื่องของรุ่งอรุณคําว่ารุ่งอรุณตรงนี้อาตมาก็ไปไปศึกษามาคือสำหรับพระสงฆ์เนี่ยจะมีคําว่ารุ่งอรุณเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันเลยสําหรับพระสงฆ์นะเพราะว่าตอนช่วงที่ได้อรุณเนี่ยคำว่าอารุณเนี่ยนะช่วงที่ได้อรุณเนี่ยจะต้องมีผ้าเนือสามผือนอยู่กับตัวนะคือสมงสังขติแล้วก็จีวรถ้าเผื่อไม่มีนี่เป็นอาบัตนะต้องรักษาผ้าไว้ให้ดี เพราะฉะนั้นก็ต้องคอยดูอรุณกันว่าเฮ้อรุณนันกี่โมงและอรุณเนี่ยเราจะวัดยังไงดูยังไงนะในทางของกุตุนิยมวิทยานะเขาดูเขาเรียกว่ามุมองศาที่ดวงอาทิตย์เนี่ยทำกับโลกถ้าในขณะที่ด ว, ดวงอาทิตย์นะจากตําแหน่งที่เรายืน อ, อยู่เนี่ยนะอยู่ที่ตําแหน่งลงไป12องศาคือลบสิองศานะตรง น, นี้จะมีแสงเริ่มมีแสงสีขาวอยู่ที่ขอบฟ้า เอาใหม่ก่อนนะถ้าดวงอาทิตย์อยู่ที่ตำแหน่งศูนย์องศาคือเราจะเห็นขอบบนของดวงอาทิตย์นิดหนึงตรงนี้นี่คือดวงอาทิตย์อยู่ที่ศูนย์องศาโอเคนะทีนี้ถ้ามันยังไม่ถึงขอบนั้นมันยังลงไปก่อนลงไปก่อน12องศาตรงนี้เริ่มจะมีแสงสีขาวอยู่ที่ขอบฟ้าถ้ามันเลื่อนขึ้นมาดวงอาทิตย์เลื่อนขึ้นมา6องศานะ6องศาก็จะเริ่มมีแสงสีทองแล้วตอนที่มันถึงศูนย์องศาแป๊ะเลยเนี่ยคือจังหวะที่จะเห็นขอบดวงอาทิตย์ขึ้นมานิดหนึ่งตรงนั้น นั่นคือศูนย์นงสาและเวลาที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงก็คือขอบล่างของดวงอาทิตย์เนี่ยมันพ้นจากที่เราเราเห็นอยู่แต่คือมันพ้นขึ้นมานิดนึงปุ๊บเนี่ยคือดวงอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงละก็บอกเอาเวลาเจ็ด น, า น, นกาดวงอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงอย่างนี้นะในกระทางอุตุนิยมวิทยาเพราะฉะนั้นคําว่าอารุณเนี่ยก็คือช่วงที่มีแสงสีขาวและแสงสีทองอยู่ที่ขอบฟ้านี่นคือหมายถึงอย่างนี้ว่า ถ้าเราเห็นแสงสีขาวหรือแสงสีทองอยู่ที่ขอบฟ้าคุณมั่นใจได้เลยว่าดวงอาทิตย์กําลังจะขึ้นมานั่นก็คือดวงอาทิตย์มันกำลังมาที่12องศาแล้วเลื่อนมาที่6องศาแล้วเดี๋ยวตอนที่มันศูนองศาปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นดวงอาทิตย์เช่นเดียวกันแต่นี้คืออุ ป, ปมาอุปไมยที่รพระพุทธเจ้ายกเปรียบเทียบว่าคุณอาจจะยังไม่เห็นมรรคแหรอกสีอาจจะยังรักษาไม่ได้ได้บ้างบางข้อแต่อีกบางข้อยังไม่ได้แต่ถ้ามีเพื่อนดีนะถ้ามีเพื่อนดี นีมันจะไอ้พวกนี้มันจะมามากันเนะีเพราะอะไรเพราะเพื่อนดีเนะ่ยเขาเขาจะแนะนําให้คุณอยู่ในศีลได้ไนะหนคุณเจริญมรรคแดได้นะีแค่นั้นยังไม่พอนะยังรวมถึงเรื่องของการได้ฟังธรรมยังรวมถึงเรื่องของการที่เอ่อถึงพร้อมด้วยศีลในข้อในข้อหนะึ่งหรือการถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทมีการโยนิสโสมนสิการมีการที่เอ่อมีสัมมาทิฏฐิมีทิฏฐิที่ถูกต้อง ในบางเรื่องบางราวเหแต่ถ้าเราทําถูกแล้วมาตามกระบวนการเนี่ยมันก็จะค่อยๆมาค่อยๆมามาัมากแป ก, ก็จะเจริญขึ้นได้ตรงนี้ค่ะซึ่งดิฉันก็ได้อ่านต่อไปอีกนะคะ <ừ> ที่พระพุทธโธได้ตรัสรายละเอียดว่าในความหมายแห่งกาลยาณวิตตตาหรือว่าเพื่อนที่ดีในส่วนของที่เป็นรุ่งอรุณแห่งอัดถังคิ ก, กมักเนี่ยก็ได้แก่อย่างที่ท่านได้กล่าวไปแล้วนะคะเอาเป็นภาษาของพระพุทธโ์นิดหนึ่งนะคะ ท่านบอกว่าศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลฉันทะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยฉันทะความพอใจอ่าดิฉันจะค่อยๆถามไปด้วยพร้อมกับการอ่านเนี่ยนะคะว่าฉันทะในที่นี้พอใจในอะไรค่ะคือพอใจในการปฏิบัติตามมรรคแปดพอใจในการที่จะอระลึกถึงพระพุทธเจ้ามีความพอใจลักษณะนี้อ๋อค่ะแล้วก็ศีลสัมปทาเมื่อสักครู่คือศีลระดับไหนคะก็คือศีลห้าเรานี่แหละ แต่ความถึงพร้อมเนี่ยหมายความว่าเราทําได้ในส่วนใดส่วนหนึ่งใน5้าข้อเนี่ยเราทําได้แล้วใช่ไหมสมบูรณ์แล้วใช่ไหมในข้ออื่นๆที่มันมีความละเอียดขึ้นไปซึ่งในมาร์8เนี่ยก็ยังมีสีหนึ่นๆเช่นเรื่งการประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นสีลที่ละเอียดขึ้นไปสีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิมันก็จะค่อยๆตามมาได้ค่ะคือเริ่มต้นที่ศีล5ก่อนก็ได้ใช่ถ้าต้องการมีเพื่อนดีแปลว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วค่อยขยับขึ้นไป ค, คือหมายความว่าอันนี้เ ป, นเป็นระดับเดียวกันนะคือคําว่ากัลยามิตรเนี่ยสามารถแทนด้วยคําว่าศีลสัมปทาได้คําว่ากัลยานมิตรหรือศีลสัมปทาสามารถแทนด้วยคําว่าฉันทสัมปทาได้นะครับทั้งหมดนั้นสามารถแทนด้วยความว่าคําว่าไม่ประมาทก็ได้อ๋อคือเพื่อนแต่ละคนอ่าคือหมายความว่ากะลยานม<ปฐ>ิตรก็ทําให้เป็นเกิดมรรคแปดได้ศีลสัมปทาก็ทำให้เกิดมรรคแปดได้ฉันทสัมปทาก็ทาให้เกิดมรรคแปดได้อย่างนั้น ทีนี้มาถึงกัลยาณมิตรอีกประการหนึ่งที่พระพุทธโธได้ตรัสไว้ในพระสูตรนี้นะคะคืออัตตะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความเหมาะสมแห่งตนเป็นรุ่งอารุณ์ อ, อันนี้เป็นอย่างไรคะ น, นี่ ค, คือพึ่งตนพูดที่พึ่งตนพู้ที่พึ่งตนเนี่ยก็คือพยายามที่จะเอาธรรมะเนี่ยมาใส่ไว้ในใจนี่คือการพึ่งตนพึ่งธรรมนั่นเองค่ะและถัดมาที่ท่านได้กล่าวไปแล้วความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ท่านบอกว่าทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นรุ่งอรุณลักษณะของสัมมาทิฏฐิขออีกครั้งได้ไหมคะเป็นอย่างไรค ะ, ะถ้าทิฏฐินี่ก็จะมีอยู่2ส่วนส่วนที่ยังเกี่ยวเนื่องโดยกับเรื่องของโลกอันนี้ก็คือ<ฆ>หมายถึงการให้ตามมีผลพ่อมีแม่มีเทวดา ม, มีพระพุทธเจ้ามีบุญมีบาปมีอันนี้เชื่อเรื่องพวกนี้อันนี้ดีนี่คือในแบบที่1ในแบบที่2ก็คือสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นไปในระดับเหนือโลกคือเรื่องของอริยสัจสี่ ทุกสมุทัยนิโรธมากนี่แหละโอ่ะนะคะทีนี้อีกกัลยาณมิตรหนึ่งอัปมาทะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเป็นดุ้งอรุณใช่เป็ น, ปนกัลยานามิตรแบบใดคะในรายละเอียดความไม่ประมาททีะความไม่ประมาทก็คือการที่เรารู้สึกว่าจะต้องทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะมีความร้อนใจมีความกังวลใจที่เราจะต้องทําสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในะนี้คือความไม่ประมาทเหมือนกับยามที่เขาเฝ้าอยู่ ที่ประตูเนี่ยนะเขาไม่หลับใะแต่เขาคอยดูซ้ายดูขวาเดินตัวตรายางเงี้ยนี่คือความไม่ประมาทค่ะและโยนิโสมณสิการสมปทาความถึงพร้อมด้วยการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นรุ่งอารณ์การกระทำไว้ในใจโดยแยบคายนี่เราได้ยินบ่อยๆนะคะใคำว่าโยนิโสมณสิการเนี่ยแต่ว่าจะเข้าใจกันอย่างแท้จริง ควรจะเป็นอย่างไรคะคือการใคร่ครวญพิจารณาโดยแยบกายคำว่าใคร่ครวญพิจารณาโดยแยบกายแยบกายเนี่ยยังไงถึงเรียกแยบกายก็คือใคร่ครวญพิจารณาตามนัยะของอริยสัจสี่แต่ถ้าเราใคร่ครวญพิจารณาอย่างน้อยตามเนื้อของอริยสัจสี 4, ่นั่นเป็นการพิจารณาใคร่ครวญที่แยบกายละค่ะนะคะก็คือการการที่เรารู้ธรรมถูกไหมคะใช่ใช่ใคร่ครวญตามธรรมคาสัอนของพระพุทธเจ้า ก <c oughs> ็ยังมีพูดถึงเรื่องของอาหารของโยนิโสมนสิการ้ะนะเอาละ่ะ <c oughs> ทำไมฉันถึงจะโยนิโสได้ก็ต้องฟังธรรมะในการฟังธรรมเนี่ยเป็นอาหารของการโยนิโสมณสิการค่ะทีนี้บางคนอาจจะกําลังเข้าใจว่าอ้าวทาไมตัดมาเรื่องของธรรมเป็นรุ่งอรุณแห่งอัดถังคิกมกมักอัดถังคิกกมักนี่บางคนฟังก็งงนะคะ <c oughs> อ, อุ๊ยอะไรเนี่ยอัดถังคิกกมักให้พระอาจารย์ย้ําอีกทีได้ไหมคะว่าคืออะไรเ อ, อมักแปลว่ามักแปลว่ า, า, วาทาง เนีมายแว่าทางอัถิเนี่ยแปลว่า8นี่ยก็คือ <Okay. S 1> ทางที่ประกอบด้วยองค์8ประการแล้วก็ประเสริฐด้วยนะก <Okay. S 1> ็าจึงเรียกอารยะก็คืออารยะอัฐถังขี้กะมักคือทางหน <Okay. S 1> ทางที่ประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนะคือทางนี้เป็นทางเดียวนะไม่ใช่ทาง8สายนะีไม่ใช่ทาง8เส้น <Okay. S 1> แต่เป็นทางสายเดียวที่มีองค์ประกอบ8อย่างอันนี้ถึงจะถูกในศัพท์คำนี้ แล้วคนก็สงสัยว่าอาวันนี้ท่านพิบูลไม่นําการปฏิบัติธรรมหรอคุณสันสนีพาไปไหนตอนไหนแล้วเนี่ยคอยปฏิบัติอยู่ในตอนต้นรายการจะตอบเขายังไงดีท่านเอาก็ฟังธรรมแล้วเราก็ตั้งใจพิจ า, ารณาใกล้ควรตามแต่เป็นการปฏิบัติอยู่แล้วลการปฏิบัตินี่เป็นเรื่องของทางจิตอยู่แล้วนะจะรับตาลืมตาอาจะพูดคนเดียวหรือพูดสองคนอันนี้เป็นการปฏิบัติได้ทั้งสิน้นค่ะ เพฉะนั้นบางคนก็อาจจะแบบโห้ยปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นของรายการแล้วละ่ะบางทีปฏิบัติรอเลยนะคะตอนเช้าก่อนที่พระอาจารย์จะมาเพราะเริ่มรู้ละว่าปฏิบัติอย่างไรส่วนคนที่ยังง ง, งงงก็อธิบายไปแล้วนะคะทีนี้ท่านอาจารย์คะอ่ดิฉันเองเนี่ยก็มีคนที่จะมาถามว่าเอ๊ะทาไมปฏิบัติธรรมเนี่ยมีการพูดไปด้วยรู้เรื่องหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เคยกราบเรียนถามท่านไปแล้วละ่ะแต่ว่าในส่วนของตัวเองเนี่ยนะคะอาจจะคุ้นเคย กับการที่ฟังการสอนไปด้วยแล้วก็ทำสมาธิไปด้วยบางทีอยู่ในที่ที่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะบางทีคนพูดอาจจะไม่เข้าใจเราเราทำถูกหรือทำผิดเราทำไม่เหมาะสมหรือเปล่าเช่นนะคะอย่างกับเราไปร่วมในกิจกรรมงานบุญเนี่ยประธานของสงฆ์ก็มากล่าวกับผู้ที่นั่งอยู่ในที่นั้นเป็นจานวนมากก็ส่วนใหญ่ก็จะไปปฏิบัติธรร ม, มใช่ไมคะมมแต่ว่าเหมือนแบบเป็นอารามพบทนะ่ะ ก็าเรียกว่าที่ไปที่มาเขาเรียกว่าสัมโมทนาคาถารู้สึกนะขาสาระคือเริ่มต้นเนี่ยก็จะเล่าที่ไปที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่าเราจะมีการจัดอย่างนี้อยู่เป็นประจําคือเหมือนกับเป็นการพูดทั่วไปนะคะแต่ในระหว่างที่ดิฉันฟังเนี่ยเด็กก็นั่งสมาธิไปเลยนะคะหลับตาเลยก็เหมือนกับว่ามันแล้วรู้สึกได้สมาธิอเหมือนกับว่าก็อย่างเนี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกดีถูกไหมคะเราเป็นคนที่ ทำสมาธิให้เรารู้สึกดีแต่ไม่รู้ว่าก็นั่งอยู่แล้วพระท่านประธานเะนี่ยท่านก็มองลงมาใช่ไหมคะท่านย่อเห็นเราอย่างเงี้ยในขณะที่คนอื่นเขาคงนั่งฟังอีกแบบหนึง่งคือนั่งสงบเฉยเฉยเราจะเป็นคนตลาดไหมเราทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าคะควรไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยก็ชักงงเหมือนกันคือบางทีในสถานการณ์แบบนั้นถ้าถ้าหลับตาเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมจะไม่ได้เห็นเขาอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันอยู่ที่ แต่ละสถานการณ์ด้วยนะคุณยมติว๋วค<า>่ะถ้าบอกว่าที่ทางมันเหมาะสมทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเราไม่ต้องไปดูการงานอะไรอย่างอื่นการที่หลับตามันก็จะลดอายตนะได้ลงไปอย่างหนึ่งแต่ทําไมต้องลดอายตนะได้ลงไปอย่างหนึ่งทำไมหลักการมันมาจากตรงไหนอันนี้เป็นเป็นคําสอนที่เขาเปรียบเทียบกันมาและพรทธเจ้าเปรียบเทียบไว้น่าจะเป็นสามเณรท่านหนึ่งละมั้งเปรียบเทียบไว้ไม่ใช่พระพุชธานะเป็นสามเณรท่านหนึ่งที่ท่านเทศเอาไว้อมาจําชื่อไม่ได้ตอนนี้ ในะท่านเทศไว้อย่างนี้บอกว่าเอ่อเหมือนกับตัวเงินตัวทองเนี่ยลงไปในลงไปในจอมปลวกนลงไปในจอมปลวกถ้าเราต้องการจับตะกวดตัวนี้นะอจอมปลวกนี้มีรูอยู่หกรูคุณก็ปิดมันสักห้ารูปิดห้ารูแล้วก็ขุดลงไปที่รูรูนี้ต้องเจอมันแน่นอนต้องเจอมันแน่นอนหลักการเป็นอย่างนี้คเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นการให้งั้นคุณก็หลับตาซานะไม่ต้องสายตาไปส่งสายอะไรไปดูอันหนึ่งปิดสักอันหนึ่งหูอ่าเปิดไว้ใช่ไหม หูปิดด้วยก็ดีไม่ต้องฟังนะกายถ้าอยู่ในห้องที่มันสับปะายาัแล้วไม่ร้อนไม่หนาวไม่มีตัวอะไรกัดอันนี้ก็คือปิดด้วยอีกอันหนึ่งนะเหลือช่องทางเดียวคือทางใจคือมโนนะมันต้องอยู่ตรงนี้นะเรวขุดลงไปเราจะเจอจิตเราจับมันให้ได้ฝึกมันให้ดีนะกระจัดกิเลสออกทําความสะอาดมันตรงนั้นตรงนี้มันมันจะสามารถทําได้ไงนะละการมันมาจากตรงนี้ค่ ะ, คะก็สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ว่าเนื้อหาไม่ใช่เป็นเนื้อหาที่เป็นธรรมที่เป็นคำสอนของพระศ า, าสดา น, นะคะใช อ, อแต่ว่าสติสติที่เราได้แล้ก็คิดว่าก็ดูเป็นการฝึกสติอืมดีมันก็สามารถทาได้ทุกที่เนี่ยจะดีมากแล้วก็สามารถที่จะลืมตาหลับตาก็ได้จะนั่งหรือจะยืนก็ได้อันนี้จะทําให้เรามีความชำนาญมาก อย่างอย่างในการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีธรรมาก็ให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยเขาลืมตานะบางทีก็ให้ยืนด้วยเนี่ยยืนด้วยลืมตาด้วยไม่ใช่ว่านั่งหลับตาอย่างเดียวดูซิว่ามันจะทําสมาธิได้ไหมอย่างเงี้ยอันนี้สําคัญเหมือนกันอันนี้ยดิฉันว่ายากนะครับเพราะว่าก็เคยไปอ่านเจอประสงค์ที่มีผู้ศรัทธาเคารพนับถือมากท่านก็ได้กล่าวไว้บอกว่าสอนสมาธินะคะอืแล้วท่านก็พูดว่าถ้าลืมตาได้จะดีกว่าออืดิฉันก็พยายามทํา แต่รู้สึกว่าอาจจะคุ้นเคยกับการหลับตาจริงๆถ้าลืมตาได้ดีนะคะเพราะว่าเราจะได้ทําได้ทุกที่โดยคนไม่ได้รู้สึกว่าเราประลายก็ก็ฝึกเริ่มจากการเดินจงกรมได้การการเดินจงกรมเนี่ยที่คือการเดินกลับไปกลับมาเนี่ยนะเราเราจะต้องลืมตาอยู่แล้วถูกไหมตัวนี้จะเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในข้อที่ห้าในเรื่องของอันนิสง์ของการเดินอันนิสงของการเดินในข้อที่ห้าก็คือสมาธิที่ได้จากการเดินเนี่ยจะตั้งอยู่ได้นาน แต่ก็มาตั้งอยู่ได้นานนี่ไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆนะอาจจะ <Okay. S 1> ไม่ได้ง่ายๆแต่ถ้าได้แล้ว mm. จะตั้งอยู่ได้นานเพราะอะไร <Okay. S 1> เพราะว่าในขณะที่เดินเรามีผัดสะมากกว่านั่งนะใช่ไหยเราจะต้อง <Okay. S 1> ดูทางด้วยขาเราก็จะต้องเคลื่อนไหวด้วยนะน้ําหนักตัวอะไรก็ต้องพยุงร่างกายมันก็จะมีระบบทรงตัวนะหันกลับไปกลับมาความเร็วอีกการก้าวย่างอีกอะไรอีกมันจะต้องควบคุมพวกนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นผัดสะนี่มันจึงมีมากกว่าค่ะ <Okay. S 1> ตัวนี้คือหลักการที่ว่าถ้ามีผัดสะมากๆอย่างนี้ แน่นอนว่าบางทีอาจจะทําให้เข้าสมาธิได้ยากกว่าเราดูจากตรงไหนดูจากพุทธพจน์อันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกไปว่าผู้ที่จะง่ายต่อการเข้าสู่สมาธิเนี่ยผู้ที่จะเข้าสู่สมาสมาธิได้เนี่ยจะต้องมีการอดทนต่อตาหูจมูกลิ้นและกายาอย่างนี้นะ <Okay. S 1> ถ้าอดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกายและกายได้คุณจะเข้าสู่สมาสมาธิได้ซึ่งตรงนี้เป็นภาษาที่มากกว่านั่งแน่นอนทําให้การเข้าเนี่ยในความเป็นธรรมานะคิดว่ามันจะยากกว่าการนั่ง แต่ถ้าเข้าได้นะคุณจะมีอ น, นิสงค์ของการเดินก็คือสมาธิที่ได้จากการเดินเนี่ยจะตั้งอยู่ได้นานครน่าจะเป็นงนี้ทีนี้ในเมื่ออในการเดินอย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะคะก็จะต้องเจอผัสสะมากกว่าทุกด้เราเอาสติไว้ที่ไหนคะไว้ที่เดิมไว้ที่เฉพาะหน้า การดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเหมือนนั่งสมาธิใช่ไหมคะถ้าในกรณีนี้ใช่นะคะท่านฟังก็ลองไปฝึกกันดูก็แล้วกันอมีคําถามที่ยังค้างอยู่อะค่ะท่านคะใช่ค่ะของคุณปัญญาคุณปัญญานักคณิสส์ท่านบอกว่าอนุสัยกิเลสป arityut v i t i k a มกิเลสขอพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาสั่งสอนคืออะไรคะท่านคะโอเคอันนี้เป็นคํำเป็นภาษาบาลี นัยน์ภาษากิเลสปริยุทธ์กิเลสก็วิติกิเลส เ, เนี่ยวิติกรรมกิเลสเนี่ยเป็นภาษาบาลีที่หมายถึงกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างกลางแล้วก็กิเลสอย่างหยาบคํา3คำนี้เป็นในยัดที่มาในวิสุทธิมัคแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับที่เป็นพุทธพจน์นะคำว่าหยาบเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าโอราละก็คืออย่างหยาบจะไม่ได้ใช้วีติก ร, รมม ะ, ะหรือกิเลสอย่างกลางที่เขาใช้คําว่าปริยุทธ์เนี่ย ปริยุตธะเนี่ยจริงๆต้องสะกดด้วยต่อประดักเนี่ยภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้คือคําว่ามัตชะนั่นคือทางสายกลางนี่เองเหมือนคำว่ามัตเช่นี่แหละกลางนั่นคือกิเลสอย่างกลาง ค, คือถ้าพูดง่ายๆก็คือกิเลสมันจะมี3อย่างอย่างหยาบอย่างกลางแล้วก็อย่างละเอียดแต่อันนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้กับการล้างทองนะคุณโยมติวการล้างทองในเวลาที่เขาทาเหมืองทองเนี่ยถ้าถ้าเราได้เคยเห็นเหมืองทองหรือว่าไปดูตาม youtube ก็ได้ แต่ก็จะมีกระบวนการผลิตทองคําอยู่แต่ก็ก็จะไปสำรวจดินก่อนว่าโอ้พื้นที่นี้มีสินแร่ทองคําอยู่มากใช่ไหมเขาก็จะขุดหล่ะทีนี้เนารถแมคโครมาขุดเอาอะไรมาขุดขุดเอาทำลายเอาดินนั่นแหละมาเอามาทํำลายเอามาล้างก่อนนะขั้นตอนแรกก็คือการล้างอย่างหยาบๆเพื่อที่จะเอาเศษไอท้ที่ดินเศษหิ น, นอะไรออกไปก่อนนะล้างอย่างหยาบก็ต้องมีกระบวนการการล้างอย่างหยาบนะเช่นตะแกรงในการล้าง น้ำอาจจะไม่ต้องสะอาดมากแต่ต้องมีความแรงสูงอย่างนี้นะกระบวนการเขาก็จะแตกต่างกันล้างแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกจนกระทั่งเศษหยาบๆนี้มันออกไปแล้วก็มาทําการล้างอย่างกลางๆ ล, ล้างอย่างกลางทําไมอ่ะเพื่อที่จะเอาเศษอย่างกลางออกไปเศษอย่างกลางก็เช่นก้อนกรวดอยา่างละเอียดหรือว่าทรายอย่างหยาบก้อนกรวดอย่างละเอียดหรือว่าทรายอย่างหยาบเนี่ยมันก็มันยังเป็นอย่างกลางอยู่ซึ่งกระบวนการล้างอันนี้ต้องใช้น้ําที่มีความดัน มีความแรงน้อยลงหนนะ่อยก็ต้องมีความสะอาดขึ้นหน่อยแลแ้วตะแกรงก็ต้องเล็กลงอีกนะล้างแล้วล้างอีก ล, ล้างแล้วล้างอีกจนกระทั่งพวกก้อนกรวดอย่างละเอียดหรือว่าทรายอย่างหยาบนี้มันออกไปจนกระทั่งไปผ่านกระบวนการที่3ก็คือว่าล้างอย่างละเอียดล้างอย่างละเอียดเนี่ยน้ำแรงไม่ได้เลยแล้วกต้องเป็นน้ําสะอาดด้วยเพืนะ่อที่จะเอาอะไราก็เอาไอ้ทรายอย่างละเอียดเนี่ยออกไปเอาทรายอย่างละเอียดออกไปแล้วก็พวกสะเก็ดกรลลำพัก สารสกการลำพักก็คือเศษโลหะอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ทองคารรแต่ว่ามันมีความละเอียดพอๆกันกับเมเล็ดทองคําำนะแต่มันไม่ใช่อยเช่นพวกเงินอะไรต่างๆมันจะมาปนวิธีการล้างอย่างละเอียดนี้จะเอาพวกสารกการลำพักแล้วก็ทายอย่างละเอียดเนี่ยออกไปได้นะล้างแล้วล้างอีกจนกระทั่งเหลือแต่กองสายทองเนะี่ยอุ ป, ปมาบุปไมยตรงนี้เปรเียบเทียบกับจิตของเรานะจิตของมนุษย์เราเนี่ยจะทําความสะอาดจิตได้เนี่ย ก็จะต้องมีกิเลสอย่างหยาบที่เราต้องออกไปกิเลสอย่างกลางแล้วก็กิเลสอย่างละเอียดซึ่งกิเลสอย่างหยาบกลางหรือละเอียดนี้จะใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันเครื่องมือแตกต่างกันนะกระบวนการก็จะแตกต่างกันกิเลสอย่างหยาบเครื่องมือที่ใช้ก็คือเรื่องของศีลก็คือคุมกายคุมวาจานในอะไรในการที่จะไม่ฆ่าไม่ลักไม่บรบกุญ ป, ปิดในกาม ไม่พูดจาที่มันจะเป็นมิจฉาวาจาอันนี้คื อ, อใช้ศีลเพื่อที่จะกําจัดกิเลสอย่างหยาบออกไปในส่วนที่2กิเลสอย่างกลางแต่ว่ากิเลสอย่างกลางเนี่ยก็คือเรื่องของแน่นอนกายวาจาบางทีได้รับการควบคุมแล้วแต่เจอเรื่องไม่พอใจมันแบบจี๊ดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแต่แต่ไม่ได้ด่าเขาไม่ได้ทําร้ายเขาแต่แบบไม่พอใจมันเคืองขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่คือกิเลสอย่างกลางนะ บางทีมันมีเจืออ้อนี่เหรอไหมแบบไม่พอ ใ, ใจแต่ว่าไม่ได้พูดละ่นะซึ่งความไม่พอใจขุ่นเครื่องที่เกิดขึ้นนี้นะก็คือความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนะเครื่องมือที่เราใช้ตรงนี้ก็คือสัมมาสังกัปปะนะัก็คืออย่าไปให้มันไปอยู่ตรงนั้นนะให้จิตมาอยู่ในความที่มันจะไม่เกี่ยวข้องด้วยการหรือออกจากการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนี่คืออย่างที่2ก็ควบคุมจิตได้มากขึ้นนะตอนนี้ จิตที่มันมาส่วนใหญ่ละอยู่ในโดเมนอยู่ในแอเรียของความที่มันมีสิ่งที่เป็นกุศลมากกว่าสิ่งที่เป็นอ ก, กุศลแต่พระพุชธเจาเปรียบเทีบยบเอาไว้อะนะเหมือนกับเวลาเราไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ที่วัดป่านัยสงฆ์เนี่ยเดีนะ่ยชาวบ้านรอบๆวัด น, นี่เขาก็ปลูกข้าวกันเต็มแล้วนะนะต้นข้าวขึ้นเขี้ยวชุ่มสวยเลยและถ้ามีคนเอาวัวควายไปเลี้ยงตามทุ่งนาเนี่ยเขาจะต้องคอยระวังอย่างมากไม่ให้วัวไปกินต้นข้าวของคนอื่นเก๋า แต่ถ้าในฤดูที่เก็บเกี่ยวแล้วไม่มีต้นข้าวแล้วเนี่ยชาวนานี้เขาก็ปล่อยวัวตามสบายเลยมันจะไปอยู่ตรงไหนตรงใดก็ไม่มีปัญหาแล้วก็แค่ตามความกําหนดบ้านนั่นวัวก็พออันนี้เปรียบเทียบกับเวลาที่ถ้าจิตของเราเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามันยังคิดเรื่องไม่ดีอยู่อันนี้เราต้องคอยระวังมันให้มากต้องใช้เรื่องสมาสังกปะมาคอยควบคุมแต่ถ้าส่วนใหญ่มันไม่ได้คิดเรื่องไม่ดีแล้วแต่ส่วนใหญ่มันก็ยังคิดเรื่องดีๆเป็นส่วนใหญ่อันนี้ถือว่าดีแล้วนะดีละแต่มันยังมีบางครั้งบางคราว นี่คือเริ่มมากิเลสอย่างละเอียดละที่มันจ ะ, จะง่วงบ้างทําความเกิดอะไรที่มันไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยบางครั้งบางกล่าวคะ่ะอันนี้คือเรื่องของนิวรันเรื่องของนิวรันสิ่งที่จะมาทํานิวรันให้ระงับไปได้คือสมาธิในสมาธิจึงเป็นค<ะ>คเครื่องมือในการที่จะกําจัดกิเลสอย่างละเอียดในกิเลสอย่างละเอียดแล้วนะนี่ก็คือเปลี<ะ>่ยนเงินกับทองคำนะแต่มันยังไม่เสร็จนะคุญยมติวยังไม่เสร็จพอเขาล้างทองคาแล้วเนี่ยคนล้างทองนะ พอผ่านกระบวนการ3มขั้นตอนแล้วได้สะพุงก็เรียกว่าทรายทองเป็นผงทรายทองเดี๋วทีนี้ช่างทองเนี่ยไม่ใช่คนล้างนะช่างทองนะช่างทองก็จะเอากองทรายทองเนี่ยมาใส่บนเบ้าหลอมคําว่าเบ้าหลอมเนี่ยก็คือให้ความร้อนของไฟมันมารวมกันอยู่ที่ตรงนี้ให้ความร้อนมันสูงๆแล้วก็เป่าลมเข้าไปนะเป่าลมเพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันพุ่งไปที่จุดตรงเบ้าหลอมแล้วก็กองทรายทองที่อยู่ตรงนี้เนี่ย มันจะได้หลอมละลายหลอมละลายเพื่ออะไรเพื่อให้รถฝาดในเนื้อทองคำเนี่ยมันออกไปเนีเพื่อให้ทองเนี่ยมันหลอมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อให้ไอ้เจ้ารถฝาดก็ดีเพื่อให้ไอ้สิ่งที่มันกระบวนการนี้เขาเรียกว่า m เมล s m e l ส s m e l โ go คือเอาทองคํามันหลอมเพื่อให้มันบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นในจุดล้อมเหลวอะไรของทองต่างๆที่มันเป็นโลหะที่ไม่ใช่ทองเนี่ยมันก็จะออกไปเหลือแต่ทองคํำล้วนๆทองคำบริสุทธ์ ที่จะมีเนื้ออ่อนที่จะมีสีมีแสงแวววาวแล้วก็เป็นของที่มีน้ําหนักดีนะนี่คือกระบวนการที่3ามนะแล้วก็ไม่ใช่เป่าครั้งเดียวนะต้องเป่าแล้วเป่าเล่าเป่าแล้วเป่าเล่าลเ ป, าเป่าจนได้ที่เป่าจนกระทั่งรสบาดในเนื้อทองคําออกไปเป่าจนกระทั่งจากที่มันแข็งแข็งเปราะๆเนี่ยเป็นของนุ่มขึ้นมาแลนะนี่คือขั้นตอนที่สี่อาจจะพูดว่าสก็ได้คือในส่วนที่สนั่นแหละ ในส่วนแรกคือ3า <Okay. S 1> ขั้นแรกคือในการล้างในส่วนที่2คือการเป่าทองคาอันนี้ถ้ามาเปรียบเทียบกับจิตของมนุษย์ใน <Okay. S 1> ในส่วนแรกคือกิเลสอย่างกระยาบอย่างกลางอย่างละเอียดแล้เครื่องมือที่ใช้ก็คือศีลสมาสังกปะและเครื่องของสมาธินนี้คือส่วนแรกนะ <Okay. S 1> แล้วส่วนที่2ตรงนี้แหละซึ่งบางทีสมาธิจิตของเราเนี่ยมันยังไม่ละเอียดแตนะ่มันยังไม่ได้ความสงบแห่งจิตที่มีการเพ่งมีการข่มบังคับแต่ตรงนี้จะใช้อะไรมาแก่ ก็ต้องใช้การเห็นตามที่เป็นจริงคือวิปัสสนานํามาทำนำมาทําทในการที่จะให้เห็นตามเป็นจริงหนาะโนดแล้วฟันอกีกนาะเหมือนกับการทําตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าใช้จะใช้คําคุณศัพท์ที่จะอธิบายกิริยาของการการะทำตรงเนี้ยใช้คําคุณศัพท์ว่าบริกรรมนะอันนี้คําคําว่าบริกรรมเนี่ยเป็นคํานามนะแต่ทําหน้าที่เป็นคําขยายของการการะทำเรียกว่าบริกรรมหมายความว่าไงห ม, มายความเวลาที่ช่างทองเขาจะทําทองจากที่มัน ่เป็นผงทรายทองให้มันนุ่มให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันให้มันไม่มีรถฝฟให้มันเป็นส่งประกายขึ้นมาเนี่ยเขาต้องเป่าแล้วเป่าเล่าเป่าแล้วเป่าเล่เาลนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งหรือตัวอย่างที่2เปรียบเทียบว่าคนที่ปั้นหม้อคนปั้นหม่อนะเขาก็ต้องเอาดินเหนียวนี่มันนวดแล้วนวดอีกนวดแล้วนวดอีกนะมีเศษฟางเศษอะไรหยิบออกมีเศษหินเศษกลรวดหยิบออกหยิบออกนวดจนกระทั่งมันเข้านุ่มเป็นเนื้อเดียวกันนะหรือตัวอย่างที่สามพระพุทธาเปรียบเหมือนกับคนที่นะกนนแกะสลันนกงาช้าง ช่างเอางาช้างนี่มาขาดฝนขาดจนกระทั่งมันนุ่มมันเนียนนะถ้าเปรียบกับช่างไม้นี่เขาจะอเอากบเหลาแล้วก็เอากระดาษทรายอย่างหยาบขาดนะัดนะแล้วก็ต้องเอากระดาษทรายอย่างละเอียดขดัดจนกทั้งไม้นี่มันเนียนไม่มีเส้นเกิดขึ้นคําคุณศัพท์ที่อธิบายจิตญาติตรงนี้คือคําว่าบริกรรมเนะช่นเดียวกันจิตของเร า, เาคุณดูอะไรดูโลหมหายใจใช่ไหม หรืวคุณจะระลึกถึงพระบรุตรชอบทาให้มันจนละเอียดให้มันจนนิ่มให้มันจนนวลจิตเนี่ยมันสบายทําอย่างบริกรรมทําอย่างดีเลย น, นี่คือคือเราทําอย่างนี้นนเหมือนกับที่ช่างทองช่างไม้ช่างปั้นหม้อเขาทำํำก็จะ <Okay. S 1> มีความชํานาญตรงนี้เราก็ฝึกทําให้มีความชํานาญนี่คือในส่วนที่2นะ 2> <Okay. S 1> ในส่วนที่2มันจะเกิดอะไรขึ้นจิตของเราเนี่ยไอ้เจ้ากิเลส ต, ต่างๆเนี่ยมันจะออกไปออกไปออกไป เรจะมีความบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ <Okay. S 1> ้นอประเด็นที่สาคัญตรงนี้นะคุณยมติ๋วนะ ค, <Okay. S 1> คือเครื่องมือเราต้องเลือกใช้ให้ถูกนะคเครื่องมือเราต้องเลือกใช้ให้ถูกถ้าเราเลือกเครื่องมือไม่ถูกใช้ผิดตามลําดับและการปฏิบัติมันจะไม่เก่าหนะพูดกันตรงๆเลยค่ะ <Okay. S 1> เช่นว่า <Okay. S 1> ถ้าคุณเอาตะแกรงอย่างละเอียดไปล้างอย่างที่มันยังเป็นหินเป็นดินอะไรมาเนี่ยมันมันกระตันหมดมันจะไม่ได้ผลเช่น <Okay. S 1> เดียวกันคนที่ถ้าบอกว่า สียังแบบติดขัดอยู่ยังกิเหล้ามาเบียร์อยู่เงี้ยละโอ้ยฉันทําสมาธิไม่ได้เลยแล้วก็บ่นนั่นบ่นนี่โอ้ยมันมันกดละมันกดละเรื่องกันแล้วเหนือแม้มันก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนมาแต่คุณปฏิบัติได้ขั้นไหนตอนไหนนการทําสมาธิมันก็ได้ตามลําดับที่มันควรจะได้แหละมันก็ได้เท่าที่ได้นะก็ตามนั้นค่ะก็หมายความว่าเราได้รู้วิธีที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอน ให้หลังจากที่ได้รู้แล้วว่ากิเลสแบ่งเป็นสามอย่างตามที่คุณปัญญาได้ถามมา<ช>นะคะมีกิเลสอย่างหยาบวิติกรรมกิเลสใช่ปริยุทดกิเลสอย่างกลางและอนุสใสกิเลสกิเลสอย่างละเอียดทั้ง<ช>หมดนี้คุณก็คําว่าอนุสัยมากที่สุดนะคะแต่ว่ามีเครื่องมือในการกําจัดศินดีกําจัดกิเลสหยาบได้<ช>มีสัมมาสังกัปปะ ไม่มีการพยายามเบลี่ยนแปลงถูกไหมคะใช่ใช่ก็จะ ก, กําจัดกิเลสอย่างกลางได้แล้วก็ถ้าปฏิบัติสมาธินะคะก็จะขัดเกลากิเลสอย่างละเอียดในเบื้องต้นได้ใช่แต่ถ้าจะให้ขัดเกลากิเลส ท, ที่มันละเอียดจนโอ้โหแก้ยากต้องไปวิปัสสนาบริกรรมใช้เครื่องมือให้ถูกจึงจะก้าวหน้าตรงตรงนี้ถ้าเราจะกําหนดบทเพียชนชนะให้ถูกเนี่ยก็คือถ้าถ้าเราบอกว่าทองคาําคุณมีทองไหม มีก็ผงายทองนี่ไงนะมีมีทองคําอยู่แต่เขาก็พูดได้เพราะว่าเขาเขาล้างมาแล้วใช่ไหมแต่ว่ามัน ม, มันยังไม่ไม่ได้เป็นเอ่อเป็นพระพุทธ ร, รูปหรือไม่ได้เป็นสร้อยคอไม่ได้เป็นกําไรคุณยังทําไม่เสร็จนะนนี้เปรียบเทียบเหมือนกับว่าจิตของเราสงบไหมมีกิเลสไหมก็ไม่มีแล้วนะคือถ้าคนมีสมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าคือในสมาธิไม่มีกิเลสอยู่แล้วแต่ว่ามันกลับกําเริบได้ไงไอ้ตรงที่มันยังกลับกําเริบได้เนี่ยแหมจะบอกว่าไม่มีกิเลสมันก็ไม่ใช่มันก็ มันก็ยังมีแต่ว่ามันกลับเพิ่มเริ่มได้แต่ว่าในสมาธิไม่มีกิเลสไงจึงต้องพูดถึงเรื่องของวิปัสสนาที่จะเอารากของกิเลสคืออวิชชาเนี่ยมันออกไปตอนนี้ ค, คือสมาธิวิปัสสนาต้องมาคู่กันค่ะค่ ะ, ะท่านคะก็ดูเหมือนกับว่าจริงๆแล้วถ้าสามกิเลส ท, ที่อคุณปัญญาได้ถามมาแล้วในส่วนสุดท้ายที่ท่านได้กล่าวถึงเนี่ยก็เป็นส่วนของกิเลสอย่างละเอียดถูกไหมคะทีะ่แม้จะถูกกําจัด ด้วยเครื่องมือต่างๆไปแล้วดังที่ได้กล่าวข้างต้นเนี่ยแต่ยังมีรากของเขาอยู่ใช่ใชรากนี่ถือว่เป็นอนุสัยหมคะทั้งค่ะรากนี้คืออวิชารากนี่<อ>ไม่ใช่อนุใสยนีย่จบไปแล้วใช่ไหมคะจบจบไปแล้วอนุใส่กิเลสแต่การกําจัดดังกล่าวนในส่วนแรกนั้นที่เหลื อ, อนี่เป็นอวิชาแล้วคือไม่เห็นมันแล้วไงไม่เห็นมันแล้วแต่มันกลับกําเริบได้คือกลับกําเริบได้ไม่ใช่ว่าตัวมันมันมีนะตัวมันก็ไม่มีนะ เหมือนอย่างต้นไม้เนี่ยเราตัดที่โคนนันแล้วเนี่ยจนถึงดินแล้วเนี่ยไม่มีแล้ต้นไม้อา้าวแต่มันมีรากอยู่มันก็โตขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเวลาที่เราเข้าสมาธิจิตมันแบบสบายเย็นแล้วเนี่ยตรงนั้นกิเลสไม่มีอยู่แล้วแต่ทาไมออกมาแล้วถูกคนด่าว่าอา้าวมันมันฟุ้งขึ้นมาอีกแม้นิดหนึ่งก็แสดงว่ายังมีการกลับกาเริบค่ะแต่ถ้าเรามาพิจารณา ตัวของทุกคนเนี่ยดีฉันเชื่อนะคะว่าถ้าพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาแล้วจะได้พบว่าในส่วนสุดท้ายคือในส่วนกิเลสที่มันละเอียดมากขึ้นมากขึ้นแม้เราคิดว่าเราขัดเกลาได้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วเราจะได้พบว่ายังไม่หมดไปหรอกที่ละเอียดแล้วก็จะมีละเอียดอีกพูดอย่างนี้ได้ใช่ค่ะหรือฉันเข้าใจว่าถ้าซื่อสตัตยกับตัวเองเนี่ยเราจะได้พบเลยว่ากิเลสนี่น่ากลัวจริงๆอืม แ ก, กำจัดยากจริงๆใช่ใช่กิเลสเนี่ยเหตุปัจจัยมันก็มาจากเรื่องของตัณหาและก็ผัสสะแตถ้าถ้าจิตยังมีตัณหาอย่างเหนียวอยู่ที่จิตมีรากเกิดวิชาถ้ามีภาษามันกระทบแต่ถ้าเป็นที่พอใจกิเลส ก, ก็จะเกิดขึ้นเป็นราคะแต่ถ้าจิตเป็นแบบนี้แล้วมีภาษาที่มากระทบเป็นที่ไม่น่าพอใจก็จะกิเลส ก, ก็จะเกิดขึ้นมาเป็นโทสะอย่างนี้ ท่านคะทีนี้ฟังดูเหมือนกับว่าในเมื่อมันยากคนธรรมดาก็ยังต้องมีค้างเหลืออยู่ต้องอยู่กับกิเลสต้องมีกิเลสนะคะหรืออย่าง ก, กรรมทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่ามีกุศลและกรรมกับก <ừ m. S 2> ุศลกรรมใช่ไหมคะใช่มีกุศลกิเลสไหมคะท่านคะไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยทำยังไงให้มันเป็นกิเลสทันดีท่านคะหรือว่าขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่มีดีถ้าขึ้นชื่อกับกิเลสแล้วไม่มีดีแน่นอนแต่ถ้าอาจามาเข้าใจอยู่ในความหมายของคุณโยมติวที่บอาว่า กุศลกิเลสเนี่ยนะก็คือเรื่องของมาร์กนั่นแหละถ้าจ ะ, จะพูดนะก็คือการกระทําอะไรที่บางทีเราทําแล้วเราเราไม่พอใจหรอกแต่มันดีอะ่นะเช่นการารักษาศีลบางทีอะ่ะเขาด่าเราอะ่ะเอ๊ะทาไมคุณมาทําตัว น, นี้อย่างนี้หรือแม้แต่าการนั่งสมาธิเนี่ยฉันนั่งหลับตาในขณะที่สันนการณ์มันบางทีเราต้องดูนั่นนี่เอาทําไมเขามาด่าเราอะ่ะอันนี้คือบางทีเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่เราก็ทําความดีของเราอะ่ะอันนี้คือเดินตามมาร์กนั่นแหละอืม นะคะั้นก็คือว่าถ้ายังคิดว่าเราเองก็ยังวิปัสสนาไม่เก่งบริกรรมไม่เก่งก็หันไปดูว่าสัมมามัตอขออภัยค่ ะ, ะมักินั้นมีอะไรบ้างถูกไหมคะมแล้วก็ปฏิบัติตามนั้ น, น, นอย่างเคร่งขัดก็เป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งนะคะแต่สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันเข้าใจว่าการที่ มาสแสวงหาความรู้ในด้านของการเอาคำสอนของพระศ า, าสดามาเข้าถึงใจเราให้มากขึ้นในปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าไม่ปฏิบัติแล้วก็คงจะก้าวหน้ายากถูกไหมคะใ ช, ใช่แล้วก็ถ้าเราจะาปฏิบัตินะอัตมาก็อยากจะเชื่ว่าเอาเราไปดูตัวแม่บทด้วยกด็ดีตัวแม่บทในใพระสูตรนี้อยู่ที่สังคสูตรในสังคสูตรอยู่ในอังคุตนานิกายประมาณแค่หน้ากว่ากว่าไม่ถึงสองหน้า ดูแลอ่านทความเข้าใจแล้วก็มาใกล้ควณพิจารณาตามนะปฏิบัติไปอย่างที่โยมถือว่านี่แหละตามมรรคแปดแต่ก็จะผ่านตามกระบวนการเนี้จากยาบมากลางมาละเอียดแล้วก็ให้ถึงความที่รากของมันกําจัดออกไปได้ค่ะก็ถ้ายังไม่ได้ไปอ่านพระสูตรอะไรแล้วแต่ก็ลองฝึกในเรื่องของสติที่เป็นขั้นต้นก่อนจะก้าวไปสู่การเป็นวิปัสสนาใช่ใชซึ่งอยู่ด้วยกันเลยเนี่นะคะถูกต้ตองให้ ทำได้ดีก่อนวันนี้เราก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะคะธรรมสการขอบพระคุณท่านพิบูญเป็นอย่างยิ่งอาจารย์ผู้ทวสวัสดีค่ะ